ขอ oh, ความสุขความเจริญตุงมีดท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวทาิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องปัญจคยสูตรคือประสูตรที่ว่าพวกผู้ไม่มีกิเลสเป็นเหตุในเนื่นช้าเป็นประสูตรที่ปรากฏในพระคัมภีร์อุทานอีกเช่นเคย หรือตั้งใจไปว่าพระสูตรชุดนี้เนื่องจากไม่ยาวก็จะนำมาเสนอทุกๆสูตรก็ถือว่าท่านผู้ฟังที่ฟังสืบต่อกันมาโดยลำดับได้ศึกษาจบพระไตรปิฎกหนึ่งเล่มหนึ่งคัมภีร์นะฮะไม่ใช่หนึ่งเล่มนี่ข้อความมันเป็นเบื้องต้นเหมือนเดิมคือพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเทตะ ว, วัน ในกรุงสาวัติใกล้กรุงสาวัตีพระผู้มีพระ้าส่งพิจารณาการละส่วนสัญญาอันสารคดไปทำเป็นเครื่องเล่นชาของพระองค์หมายความว่าย้อนมาพิจารณาธรรมะที่พระองค์งงส่งลบไปแล้วทํานองเดียวกับที่พระญญากนทัญญาได้พิจารณา ในพระสูท์ก่อนรอกว่าจะมาถึงพระเจตวันปัญญาคนนีญญก้กบรรลุมรรคผลมานานแล้วการพิจารกก็คงพิจนารณาหลายหลายครั้งเพียงแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งพอพิจนารณาแล้วก็ส่งเปล่งพระพุทธอุทาน เป็นข้อความว่าผู้ใดมีกิเลสเครื่องให้เนิ่นช้าและความตั้งอยู่ในสงสารก้าวล่วงซึ่งที่ต่อคือตนาทิฏฐิได้รลลิมเขือวิชาได้แม่โลกคือหมู่สัตว์พร้อมทั้งเถวโลกย่อมไม่ดูหมิ่นผู้นั้นผู้ไม่มีตัญหาเป็นมุนีเที่ยวประยุกก็หมายความว่า ทั้งหมดนั่นเป็นเรื่องของพระอาหารหันต์ในที่นีก็เน้นไปที่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเองประเด็นที่กวรทำความเข้าใจในรายละเอียดเชนทรุ้ฟังก็จะเจอว่าในกรณีนี้ เ, นเป็นการพูดถึงสิ่งที่ละไปก็คือพวกกลุ่มกิเลสทั้งหลาย แล้วก็ผลที่ปรากฏภายในใจของท่านที่ได้ละกิเลสไปแล้วหมายความว่าพูดถึงเหตุของความทุกข์และก็ความดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสรงละแล้วก็ส่งสัมผัสเกอดแห่งทุกข์นั้นก็สรงละไปหมดแล้วความดับทุกข์ก็ทรงสวยอยู่ในขณะนั้นนั้น คำว่กิเลสนั้นในที่นี้เรียกว่าปปัญเจสัญญาสังขาปรปหาหนังแปลว่ากิเลสเชื่อทําทเป็นเหตุเนื่นช้าจะทำํำมาทําไมมาเนื่นช้าเพราะเป็นที่เกิดขึ้นเองแล้วก็ทําให้เนื่นช้าหมายความว่าใครก็ตามที่ถูกกิเลสครอบงำอยู่เนี่ยให้เราสังเกตว่าเนื่นช้า จะนดูตัวอย่างง่ายๆว่าเราจะไปในที่ใดที่นหนึ่งแต่ว่ามีความบ่วงให่มีความมีตกกังวลที่บ้านอยู่ว่าจะไปได้ก็ต้องเสียเวลาไปนานในขณะที่ออกไปจิตใจก็ พ, กพักผ่นในขณะที่เดินทางจิตก็วกกลับมาอยู่ที่บ้าน ในปัจจุบันก็มีโทรศัพท์มือถือก็โทรเช็คกันไปเรื่อยๆไปถึงสถานที่ที่ไปก็ยังโทรติดต่อกันอยู่ในภารกิจที่ต้องจัดจะต้องทําในจุดหมายปลายทางที่เราไปมันก็ช้าลงนี่ก็เห็นได้ชัดว่ากิเลสจับตรงไหนแล้วก็ช้า ท, าทันทีเลยเห็นว่าความเชื่อในเรื่องพิจิรีตองทั้งหลายเนี่ย ความเชื่อในเรื่องผานาชีผีหลวงเหลาเหล็กดวงดาวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอะไรแต่ไรที่ว่ากันอนย่างอื่นพร้อมหมดทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องมันยังไม่ถึงอาการเชื่อเหล่านี้เป็นอาการของโมหะมันเหนี่ยวรั้งจิตเอาไว้แล้วก็สูญเสียความเชื่อมัน่นถ้าไม่ทาตอนนั้นก็ไปคิดว่าจะเป็นอย่างนั้น ทั้งๆ ท, ที่จะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกเพราะอะไรเพราะเราตอนทำเนี่ยเราทำไปตามเริกที่หมอว่าทีนี้สมมติเราทำไปแล้วเหตุร้ายต่างๆไม่เกิดขึ้นเราก็จะไปผูกโยงกับคำทำหนยของหมอว่านี่ดีนะหมอให้เริกดีาไว้การทำงานของเราจึงประสบความสาเร็จ ที่จริงเวลาอื่นเราไม่ได้ทำํำเราก็ไม่รู้ว่าเวลาอื่นเนี่ยมันจะเกิดเสียหายอะไรขึ้นมาไหมเพราะอะไรเพราะในแง่ข้อความเป็นจริงแล้วในเวลาอื่นนั่นแหละก็มีคนอื่นเขาทากันเยอะก็ามีความเสียหายอะไรหรือเปล่าก็สูญเสียอะไรหรือเปล่าเขาประสบกับโชคเคราะอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่ไมีการตรวจสอบทีนี้สมมติว่าเกิดเหตุไม่ดีขึ้น่ หลังจากทำไปตามเรื่องผานาทีที่หมอบอกไว้แล้วเราก็ชื่นชมยิดีต่อหมออีกแหละบอกว่านี้ดีนะถ้าหมอไม่ให้เลิกเอาไว้ในอันตรายคงจะมากกว่านี้เลยพูพ้พวกที่ดูเรื่องผานาทีเลยกินแั้วขึ้นทั้งร่องเลยโลกจึงอยู่อยู่มาได้อย่างเงี้ยดูมาการกล่อมตัวเองการหลอกตัวเอง เพราะในความเป็นจริงเมื่อเราไปทางหนึ่งเนี่ยทางหนึ่งเราไม่ได้ไปทางที่เราไม่ได้ไปไม่รู้ว่ามันจะดีกว่าหรือว่าเลวกว่าหรือว่าเสมอกันกับทางที่เราไปเราก็ไม่เคยนึกเทียบเทียงแล้วก็เทียบเคียงไม่ได้ด้วยนะะเพราะว่าเราไม่ได้ไปเราจะความยึดติดในแนวที่เป็นอาการของกิเลสจึงถือว่ากิเลสเป็นเหตุให้เนิ่นช้านะัในประการหนึ่ง เป็นการทำไม่เนื่อช้าคือขยายความสืบต่อให้กว้างกวางออกไปโอกาสที่เลิกแล้วต่อกันในยากอ่ะ้ากิเลสเข้าไปยุ่งเขาเรียกว่าก่อเหตุให้มันเกิดความยาวสาวความยืดต่อกันไปเรื่อยเรื่อยทการจองเวรกันของคนทั้งหลายเนี่ย เรื่องมันคนจะหยุดมันไม่หยุดหรอกกิเลสมันมหยุดมันก็สืบสาวกันไปได้เร่แล้วคนในตอนหลังนี้ที่จริงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องราวเหล่านั้นเลยก็กลายเป็นการสร้างเวรสั่างกรรมให้ต่อกันไปคือสร้างเหตุใหม่นะที่จริงไม่เจตนาใหม่ความพยายามใหม่บุคคลใหม่เวลาใหม่มันไม่ยอมเลิกแล้วต่อกัน และอีกประการหนึ่งก็คือว่าให้ตั้งอยู่นานเป็นโดยพิเศษทีนี้กิเลส ท, ที่มันเกิดขึ้นภายในใจแล้วให้ตั้งอยู่นานเป็นพิเศษดนที่จริงทุกข้อนั่นแหละทุกข้อโดยทั่วไปเนี่ยท่านเลิกพวกปปันจะทำเนี่ยส่วนมากแล้วท่านจะเรียกตหามานาทิฏฐิว่าเป็นธรรมะที่เป็นเหตุใ้เนินช้า แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วกิเลสทุกข้อเนี่ยเป็นเหตุในเน้นชาเป็นเหตุในสูญเสียเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสูญเสียเวลาอยู่ในสังสารวัตรก็อให้เกิดการยึดติดอย่างที่เคยเล่าบุญทานบัณฑิตเนี่ยท่านยึดติดอยู่ที่จอเพี้ยนกับพานเข้าข้างและลูกเดือ ลูกเดือยนะฮะแล้วก็เ <c oughs> สื้อผ้ากเป๋าชุดเนะี่ยมันเป็นลักษณะของความยึตดติดความโลภความยึตดติดในสิ่งเหล่านั้นถ้าก็เที่ยวบวชเที่ยวศึกเที่ยวศึกเที่ยวบวชอยู่เนี่ยกว่าจะตัดใจได้เนี่ยจากหนุ่มจนแกนะฮะบวชศึกถึงเจครั้งบวชเจดครั้งศึกเจ็ดครั้งกว่าจะตัดใจจริงสิ่งเหล่านั้นได้ เสเวลาไปตั้งมากมายกิเลสที่เป็นเหตุให้ตั้งอยู่นานเป็นพิเศษเนี่ยหมายความว่าถ้าเรายังละเขาไม่ได้เนี่ยเราก็อยู่ในสังสารวัฏอยู่นี้แหละนานเท่าไรบอกไม่รู้ว่ามันตอบไม่ได้เป็นกับเป็นการเป็นพุทธันดรกันไปเลยกิเลสข้อแรกก็คือราคะยันที่บอกว่าเมื่อพูดถึงราคะนี่แสดงว่า เป็นการพูด ก, กับพระราคะกับโลภะเป็นกิเลสประเภทยึดติดด้วยกันเป็นกิเลสประเภทกำนัดเพลิดเพลิพนชื่นชมยินดีไขว้คว้าปรารถนาครอบครองถือครองไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางจับใดที่พวกเหล่านี้ยังไม่ลดละลงที่จริงควรจะละนะฮะแต่อย่างน้อยก็ให้ลด อาจจะละได้แต่ก็มีความเสียดายอยู่คุยนี่ลองสังเกตว่าวันก่อนในมี พ, พวกเข้าไปที่ต่างประเทศที่สุวนเดนมีปัญหาในเรื่องชาวบ้านเนี่ยต้องการจะปกครองวัดโดยก็บอกท่านบอกว่าพี่น้องเราเวลาไปอยู่ต่างประเทศเนี่ย มันเกิดขึ้นมาจากว่าตอนก็นอยู่เมืองไทยเนี่ยเธอไม่ค่อยเข้าวัดความธรรมจำศีลอะไรก็ไม่รู้เรื่องวัดว่าอารามอะไรเธอไปต่างประเทศเนี่ยมันอยู่ในวัฒนธรรมที่มีฐานมาจากประชาธิปไตยใช้มติใช้โหวตใท้การประชุมค่าใช้การลงมติกันมาแล้วเธอก็ จะติดวัตนธรรมารังเนียโดยจะวิธิชัยตัดสินความถูกผิดกันตามวัตนธรรมารังแล้วจะพูดจาอธิบายให้เข้าใจเนี่ยาวินัยเป็นหลักเนี่ยไม่รู้เรื่องนอ ก, กฎหมายเป็นหลักแต่นี้พระเราเนี่ยกฎหมายก็กฎหมายแต่ว่าวินัยนี่สำคัญเพราะวินยัยทำให้พระเป็นพระหรือไม่เป็นพระเนี่ยก็อยู่ที่วิ น, ยนัย แต่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ใช้อำนาจตามกฎหมายแต่ในกรณีที่ใช้ตัวเองมีอำนาจแต่ถ้าตัวเองถูกบังคับด้วยกฎหมายก็ไม่ชอบเหมือนกันอ่ะมันกาสที่จะติดต่อสื่อสารกับพี่น้องของเราที่เติบโตมาต่างประเทศเนี่จะพูดยากต้องพยายามทำใจแล้วก็ต้องค่อยๆ ค, ค, คุยกันไปสอดแทรกไปในเรื่องการเทศถงหนังสือให้อ่าน มีคำพีพระไตรวิฎกก็หยิบยกประเด็นที่เห็นว่ามันอาจจะเป็นปัญหาในท้องถิ่นเหล่านั้นนะ่ขึ้นมาให้ท่านอ่านดูว่าสรุปประเด็ น, น, นต่างๆให้ฟังสะสมเอาไว้รปในจิตใจของท่านยังไม่ได้นำมาใช้ในทันทีทันใดแต่ถึงคราวจะใช้เนี่ยทำห้เราสื่อสารกันได้ แต่ถ้าต่างคนต่างไปยึดติดในว่าทําตัวเองเราจะยุ่งอันนี้ก็คือเป็นเหตุเป็นเนื้าคือคือทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิตัวความเห็นมันมาจากกฎฐานคนหนึ่งความเห็นนั้นไปยึดโยงอยู่กับกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีว่าธรรมจะรีตแบบฝรั่งของเราก็ไปผูกโยงอยู่กับพระธรรมวิไัยของพระพุทธเจ้า แม้แต่ตัววัดแตทนทากำหนดทำเนียมประเพณีเราก็แบบไทยซึ่งว่ากันตามความจริงว่าทำกำหนดทำเนียมประเพณีไม่เคยแปลกอะไรหรอกยุ่เมืองพรังก็ทำตามพรังคาเมืองตาลิวก็ต้องหลีกตาตามแต่ว่าพระธรรมวินัยมันเป็นบ่งบอกความเป็นพระพุทธศาสนาคือถ้ามีการละเลยพระธรรมวินัยก็ไม่รู้จะพูดยังไงกัน นี่ก็คือสิ่งที่มีปัญหาก็คือเมื่อวันจะ ก, กิเลสคือทิฐิในที่นี้ท่านยกราคาโทสะโมหะราคาคือกิเลสที่เกิดกำนันรักใคร่พอใจสยบติดหนึ่งกล่าวมันก็ช้านะฮะโทสะก็เป็นเหตุให้ชามีความโกรธมีความประพฤติร้ายจนถึงอาการทะเลาะวิวาทกันเรื่องไม่เป็นเรื่องก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมา แล้วก็โมหะคืออย่างเทมายืนยันเนี่ยยืนยันความคิดเห็นจนเดียวนี้ยังยืนยันว่าเราต้องสาวให้ถึงสมุทัยของปัญหาของภาคได้เนี่ยถ้าตราบใดยังไม่ถึงสมุทัยแล้วแก้ยากนะครับปัญหาชาติพันธุ์มนุษย์เนี่ยพราะความแตกต่างทางศาสนาทางภาษาทางวัฒนธรรมเนี่ยทางเชื้อชาติ เรื่องใหญ่ทั้งนันนะก็อย่าลืมไว้ตัวหลักตัวตัวตัวเหตุและเนื้อชานี่คือตัณหามาณาทิฏฐิอันนี้มันเป็นทั้งทิฏฐิแล้วก็เป็นทั้งมานะเราจะเห็นว่าตัวมานณาเนี่ยคนที่ละได้เนี่ยคือพระอารหันต์เรื่องไม่ใช่ธรรมดาลึกมากทิฏฐินี่พระโสดาบันละได้ ศาสนาในพระนาขาลาได้เว่ามานะในพระหันจะลาได้วัดปปัญจะทำในที่นี้ท่านยกมาหข้อหข้อก็มาจากที่เดียวกันทิฏฐินั่นเป็นความเห็นผิดเป็นความปักใจฝังใจถ้าเห็นผิดขนาดไหนก็ไม่รู้อะคือลองสังเกตว่าคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับเรามีสัญญาวิปลาสว่า สังขารร่างกายเนี่ยเป็นของสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจถ้าระดับสัญญาเนี่พอชเนาญผู้จากันไม่ค่อยยากเท่าไรออกแต่ถ้ า, ถาระดับจิตวิปลาสจิตใจที่มันคิดคาดเคลื่อนจากความจริงเนี่ยต้องใช้เวลาแต่ถ้าพอถึงทิฏฐิและเรื่องใหญ่เลยเป็นทิฏฐิวิปลาสเป็นความเห็นที่คาดเคลื่อนจากความจริง ันเรามองถึงเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏในเอกสารทางสื่อทางอะไรต่างๆเนี่ยเกาผ่านมิติของธรรมะแล้วคนเหล่านี้เป็นคนน่าสงสารทั้งนั้นคนบางคนเนี่ยไปสยบติดไปกำนัดไปพอใจแม้ในสากศพในเรืวินัยก็มี ปรวัติศาสตร์ของอศาสนาเราก็มีเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหมายความว่าจิตใจกแกแ่ถ้าเข้าถึงทิฐิแล้วมันจะยากพอทิฏฐิวิปลาสแล้วแ่สวยไม่ยอมหยุดเลยตายแล้วก็ยังสวยอยูช่ชาวโลกเขาอาจจะเรีย ก, กว่าการไมฐานมันเป็นภาษาที่ใช้สื่อกันในวดวงตรงนั้นแต่าศาสนาถือว่าทิฐิมันวิปลาสแล้วความเห็นวิปลาสแล้ว ขาดสติมันขาดสัพพัญญะมันขาดจิตสานึกซึ่งเป็นคนที่ควรแก่การสงสารแล้วก็ให้อภัยที่สุดแต่ก็เราไม่เข้าใจอ่ะโดยจะไปซ้ำเติมไปทุกทีแล้วได้อะไรกันมาไ ม, ไม่ได้อะไรกลับสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ลดจิตเราเองไปอยู่ระดับเดียวกับเขา คนเหล่นี้ที่จึงเป็นคนที่ปูดแก่การสงสารทีนี้พอเราเห็นว่าเออมันทิฐิวิปลาและเราถามกิเลสอื่นรา ค, กร า, คกาก็จัดเห็นไหมราคาก็จะโมหะก็จะดทิฐิมันก็จัดแล้วก็มานะในความถือตัวถือตนอันนี้ก็พูดมาแล้วในประสุก่อนนะครว่าเวลาท่านกระจายเนี่ยกระจายออกไปเป็นมานะเก้า 9. ฐานะคนเราเป็นผู้อาจจะเลิศ ก, กว่าคนอื่นแต่ว่าคนเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เลิศทุกกรณีมันเลิศในกรณีใดกรณีใดหรืออาจจะสองสามกรณีแต่ไม่ใช่ทุกกรณีนะฮะคือเราเท่าว่าจั บ, จ, บจับคู่กันสมมติว่าจะอภาษาสัมผัสในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะครับเอามาเทียบเคียงกับสัตว์โดยแยกส่วนมาเทียบเคียงใหตาไปเทียบเคียงกับ อีก่แรงอย่างเงี้ยเราก็สู้ไม่ได้ล่ะโอ้โหไปเที่ยวเคียงกับสัตว์บางชนิดเนี e, ่ยเราก็สู้ไม่ได้แล้วเอาใจโมูหไปเที่ยวเคียงกับสุนัขเดี๋ยวก็สู้ไม่ได้ล่ะเอาสัมผัสไปเที่ยวเคียงกับสัตว์บางชนิดที่แกรู้ด้วยสัมผัสจะรู้ว่าปีนี้น้ําจะท่วมแกก็รีบขนไข่ขึ้นไปไว้บนที่สูงมันตัวเนี่ยเราก็สู้เขาไม่ได้ ที่เราเนือกว่าหนึ่งคือจิตเราทันนั้นเองจิต ท, ที่เรามีความคิดได้คิดดีคิดเป็นคิดชอบแต่ถ้าหากว่าขาดพัฒนาการรัาจิตใจเราก็สู้ไม่ได้งนั้นทั้งหมดเนี่ยท่านจึงเรียกว่ากิเลสเป็นเหตุเรื่อง่นช้าทีนี้เฉพาะในทีนี้นะฮะเฉพาะในทีนี้ท่านนับเป็นหกข้อ แต่ว่าท่านผู้คังต้องจับประเด็นให้ได้ไว้อย่าไปติดใจจำนวนกิเลสคือกิเลสแหละต่ละข้อเนี่ก็แตกกิ่งได้อีกเยอะเลยแล้วก็รากใหญ่ก็คือราคะโทสะโมหะมันก็แตกกันไปวันพวกอะไรหละ่ะพวกตัณหาทิฏฐิมานะมันก็มาจากราคะโทสะโมหะมีประการหนึ่งธรรมมีอัตวัมอง เพราะว่าเป็นเครื่องเล่นช้าบางอย่างนี้ว่าดุดอยากเยื่อนะเพราะเป็นเอต่เล่นช้าอีกอย่างหนึ่งก็เป็นธรรมที่เครื่องเลินช้าเหล่านั้นหมายความว่าไอการกำหนดหมายทางจิตที่เราไม่เข้าใจขันท่าขั้นท่าตามกฎของปัจจัยลักษณนกฎของปะจจัยลัก์เราสวดกันกันเยอะมากันนะ แต่ว่าใจมันเข้าไม่ถึงรับไม่ได้พอมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยทำใจรับไม่ได้ใจจะกำหนดเรื่องความสวยงามเราต่อสู้เรื่องสวยงามเนี่ยยุ่แย่งเรื่องสวยงามแล้วก็ตีค่าถึงเรื่อง น, นั้นจนถึงลักขโมยแย่งชิงกันยุ่งไปหมดใครครอบครองก็มีแต่ความเดือดร้อนสิ้นเปลืองเงินทองมากมายกายกอง อัญมณนนีบางชิ้นที่มีอยู่ในโลกเนี่ยเดืายชีวิตมนุษย์ไปมากต่อมาเดี๋ยวก็มีคนพยายามยื้แย่งที่จะครอบครองกันสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนั้นแสดงให้เห็นถึงว่าสุภจสัญญาคือเครื่องหมายของธรรมเป็นเครื่องเดินช้าสุราคาคือโลภะ รูปสวยเสียงไพเราะดินหอมรสรอยสัมผัสน่าจะต้องนะ่ะมันเป็นเหตุเกิดทั้งราคาทั้งโลภะก็แล้วแต่ว่าจะเน้นในเรื่องอะไรทีนี้ถ้าใจยังคิดอย่างนี้อยู่เนี่ยมันก็เป็นเหตุเรื่อเนิจชาเนินชาแม้ในชีวิตท่านเลยยกตัวอย่างพระโพธิสัตว์มีบางพระชาติที่ตั้งใจจะบวช บวชไม่ได้มียต่อรองขอร้องไม่ให้บวชรกอกนขอคลอดลูกก่อนให้ลูกัวก่อนให้ลูกเดินได้ก่อนเอา้าลูกเกิดท้องคนที่สองอีกละแล้วก็ไปเรื่อยจนถึถงคลอดลูกคนที่สามนะจนถึงคลอดลูกคนที่สามต้องตัดใจถ้าไม่งั้นไม่มีทางมันจะมีการต่อรอง เพราะอะไรเราคาขเนี่ยไปผูกพันกับคนอื่นโลภะนี่ยผูกพันกับคนอื่นและก็สิ่งอื่นเราจะสูญเสียความเป็นโด่งตัวเองเราอาจจะต้องการอิสระต้องการจะเข้าวัดฟังธรรมจำศีล ไ, ไ, ไ ด, ลล ด, ลไไมดล้มันไปไม่ได้ลูกป่วยเมียไม่สบายอะไรแต่ไหนแต่แพรว่าต้องช่วยกันดูแลลูกดูแลอะไรแต่ไหนก็ยุ่งไปหมดอ่ะไปไม่ได้ัช้า ตราบเท่าที่จิตยังกําหนดว่าสวยงามทีนี้อาคาตวัตถุวัตถุเป็นที่ตั้งของความอาฆาตพยาบาทบังคับจิตให้มันสายคนนี้เคยทําอันตรายต่อเราเคยทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราเคยทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเราเป็นเรื่องโบราณเรถามว่าโบราณขนาดไหน่ โบราณนานมากๆแม้แต่มีคนบางกลุ่มที่กล่าวอ้างสิที่ครอบครองสามจังหวัดภาคใต้เนะี่ยเมื่อปเรื่องโบราณ น, นะนะคือเม่แล้วก็จะไม่ได้คิดโดยเหตุโดยผลแต่ถ้าเราเรียงลำดับเอาประวัติศาสตร์ที่คนอิสลามเขาเรียบเรียงเองนะฮะแล้วก็แสดงว่า ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นพวกงอบป่าสากายอะไรต่างๆหลากนั้นก็เป็นคนพวกพราหมณ์พวกนักถือพราหมณ์ต่อมาก็เป็นพวกนักถือพุทธมีกายมหายานต่อมาพุทธมหายานนี่แหละก็เปลี่ยนเป็นนักถือศาสนาอิสลามรัชดรก็เปลี่ยนมาเป็นอิสลามแล้วก็สืบต่อกันมาอาศัยที่เขามีลูกมาก การขยายตัวของประชากรก็มากกว่าประชากรเดิมแล้วก็ดินแดนนี่ก็เป็นประเทศไทยมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไหนแต่ไร น, นะไปดูตั้งแต่สกุลไทยมันก็เป็นของไทยอยู่แต่นั้นเป็นอาคาตวัตถุคือไปสร้างความรู้สึกว่าบรรพชนของตอนนั้นถูกยืย้แยงจากคนไทยแต่ก็ไม่สาวต่อ ลักษณะอย่างนี้มันเหมือนกับนานมาแล้วนะที่เคยเล่าเรื่องพิกษูรูปหนึ่งที่ท่านไปอาศัยในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอุบาสิกาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมกับท่านเนี่ยแต่เก่งกว่ามรรู้มรรคผลเป็นพระอนาค า, ามีระลึกชาติได้ก็ตรวจสอบดูสภาพจิตของท่านแล้วท่านมีปัญหาอะไรอุบาสิกาก็จะแก้ให้ จนในที่สุดเนี่ยท่านได้สัปปายะหรือได้ความสะดวกสบายเต็มที่าเป็นเพียรบรรลุเป็นวันสารติยานลึกชาติจนไปถึงชาติที่เก้าสิบเก้ามันเกิดสะดุดนะเพราะว่าในชาติที่เก้าสิบเก้านี่ยอุบาสิกาคนนี้ก็ท่านในผูกพันกันมาตลอดเป็นสามีพันยาเป็นพี่เป็นน้องนะเป็นญาติเป็นอะไรก็คือผูกพันกันตลอด แล้วชาติเกาสิบเก้านี่ยเป็นสามีกับพันยาปรากฏว่าพันยาไปครบชู้แล้วก็ไปร่วมมือกับชู้ฆ่าสามีตายสะดุดนะสะดุดโอ้โหอุบาสิกานี่ทำบาปรกรรมหนักจริงๆไวสิกาก็ตามจิตท่านดูนะฮะไปเจออยู่ตรงนั้นพอดีก็ก็ลึกต่อไปชาติที่หนึ่งร้อย เห็นวาชาติที่หนึ่งร้อยนั้นตนได้เป็นสามีพัญญา ก, กับภิกษุรูปนี้แต่ในชาตินั้นน่ะตนได้สละชีวิตในที่ประหารน่ะปกป้องสามีเอาไว้เราบอกกับสามีแลลึกต่อไปพอลึกต่อไปก็เห็นว่าชีวิตตัวเองนั้นอุบาสิกาเคยช่วยเอาไว้เกิดปีติฮะรวดเดียวก็ไปเลยบรรลุญาณที่สมบูรณ์ เพราะเนการนึกย้อนเนี่ยถ้าเรานึกย้อนแล้วบวกลบคูณหารไปด้วยนี่ไม่ค่อยแปลกหรอกคนเราที่เคยอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าเราลึกระลึกถึงอดีตปัจจุบันเราอาจจะทะเลาะกันแล้วเราลึกย้อนกลับไปอดีตแล้วก็บวกลบคูณหารด้คือส่วนดีจะตมากกว่าส่วนไม่ดีมันตัดอาคตาพยาบาทได้แต่ว่าเวลาเรามองี่เรามองเนืออคติตวัตถุมองด้วยความโกรธเพรา ะ, ะ น, นกทำดีเราก็ไม่ชอบ ถ้าทำดีกับคนที่เราไม่ชอบก็ทำให้ดีเราไม่ชอบถ้าทากับคนกับเราหรือว่าญาติพี่น้องของเราแต่พอจิตมันหนักข้ามมันก็ไปสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นในอนาคตมาต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นพวกเป็นศัตรูของเราก็เกิดอาฆาตยาบะาก็ไปกันใหญ่ ลากรููทูกางกันไปใหญ่แล้วก็ไปเหนียวนึกอันที่ปัจจุบันทีคนเราถ้ามองกันในแง่ร้ายแล้วเนี่ยเขามองก็ถือเขาดูหมิ่นได้นะเขาพูดอะไรของเขาเราก็อาจไปคิดว่าคนอินทาได้พวนี้เลื่อนช้าทั้งนั้นใจมันไม่ไปอะ่ะใจมันถูกโยงเอาไว้ด้วยอาคาตะวะัตถุเพราะงั้นก็อาคาตะวัตถุ ก, ก็เป็นธรรมเครื่องหมายความเลื่อนช้าของโทส์ ทนี้อาสวะอาสวะเนี่ยอาสวะก็มีสามอย่างใหญ่ๆนะฮะตามปกติก็จะพูดสามแต่พูดสี่ก็ได้นะพูดสี่ก็ใส่ทิฏฐิเข้าไปถ้าพูดสามก็พูดถึงกามาสวะภาวะสวะอวิชาสวะอาสวะคือการความใคร่ภาวะสวะอาสวะคือพบความเป็นความมีความเป็นแล้วอวิชาสวะที่ตับเท่าที่อาสวะเหล่านี้ยังอยู่ กเลสเครื่องเล่นาคือมโมหะก็แกก็ต้องอยู่วันต้องฟังจะสังเกตนะสังเกตว่าพระอรหันนันละอาสวะอาสวัหิจิตานิพุทธจริงสืบสุตติหยิบหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายไม่ถือมัน่นอยู่ภายใตอาสวะตัวสุดท้ายคื อ, อวิชาโมหะเป็นพวกเดียวกับอวิชชาเพราะงั้นเมื่อดับอวิชาก็ดับโมหะทีนี้ถ้าเท่าที่โมหะยังไม่ดับ ไม่ใช่ดาบเท่าที่อาถรวายังไม่ดับเนี่ยมหะก็ไม่ดับหรือมุหะมันยังไม่ดับอวิชาก็ไม่ดับที่นี่เวทนาเนี่ยเวทนาที่เราสเสวยเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามถ้าสุขมันก็ก่อให้เกิดการมตาาระหนาภวะัศนาถ้าทุกข์มันก่อให้เกิดวิภวัตาานาเพราะดาบใดที่เรายัางรู้สึกว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเวทนามีอยู่ในเราเรามีอยู่ในเวทนาเนี่ย แต่ป้าปันจะทำข้อนี้ธรรมะเป็นเหตุเนื่นชา้าเข้อนี้แกไม่หยุดพอตัณหาก็เวทนาตัณหาก็เวทนาอุปาทานกายเป็นภพกายเป็นชาติก็ไปเป็นแถวไปเลยทีนี้สัญญาเครื่องกําหนดหมายของธรรมที่เป็นเครื่องเนื่นช้าเนี่ยสัญญาที่บอกขาเนี้สุภสัญญากําหนดหมายไว้สวยงาม นิจจานิจจสัญญากำหนดหมายว่าเชี่ยงสุขสัญญากำหนดหมายว่าสุขอันตรสัญญากำหนดหมายว่าเป็นรูปเป็นตนโดะเฉพาะสัญญานะ่ยเพราะว่าที่ทรงพิจารณาเนี่ยทรงพิจารณาที่ตัวสัญญาเป็นเหตุเนื่องช้าเพราะตระสัญญาตระใจกำหนดหมายอย่างนี้โอกาสที่ทิฏฐิก็คือทิฏฐิ วิธนั้นอาจจะเรียกกาหะหรืออาจจะเรียกว่าทิิวิปปัลลันการมองคาดเคลื่อนการเห็นคาดเคลื่อนมันก็ต้องมีอยู่การปักใจฝังใจว่าสิ่งนั้นสวยงามสิ่งนั้นเที่ยงแท้สิ่งนั้นเป็นสุขสิ่งนั้นเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยมันก็จะอยู่ตอนแสดงเราเห็นว่า ผู้สัญญาเนี่ยเป็นเหตุเนื่องชา้าจิตที่กำหนดหมายเป็นเหตุเนื่องเชา่าแล้วก็บิดกคือการตรึกนึกการเหยืยวนึกนี่เป็นเครื่องหมายของธรรมเครื่องเนื่อนช้าคือมานะเพราะอะไเพราะความมีตกัการตรึกนึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นเนี่ย การตึกนึกก็อาจจะตึกนึกด้วยอํานาจของความใคร่ด้วยอํานาจของความพยาบาทด้วยอนาจด้วยด้วยอำนาจของความเบียดเบียนนั้นก็นําให้เกิดเป็นพวกมานะขึ้นมาด้วยประการต่างๆสัญญาที่เกิดพร้อมกับทำเครื่องเล่นช้าเหล่านั้นสัญญาที่เกิดพร้อมกับราคาสัญญาที่เกิดพร้อมกับโทษสัญญาที่เกิดพร้อมกับโมหะสัญญาที่เกิดพร้อมกับ พิธีเกิดพร้อมกับมานะแต่ละข้อเนี่ยนะฮะมันก็นําไปสู่เครื่องเนื่นชา้าเขาเรียกว่า ป, ปัปปันจะสัญญาสัญญาเป็นเหตุเนื่นชา้าถล้วกา จ, จะเรียกอะไรอ่ะอย่างเวล น, นี้ทีเขาเรียกว่าภาคส่วนเนี่ยแฟชั่นเป็นแฟชั่นโดยเฉพาะวงวิชาการเนี่ยชอบพูดจังภาคส่วนอย่างนั้นภาคส่วนอย่างนี้ภาคส่วนอยางนั้นแล้วก็ฮิตติดอันดับนะฮะแล้วก็กลายเป็นหายไปนะฮะ คล้ายๆกับเด็กวัยรุ่นเด็กรุ่นหนุ่มสาวอะไรแบบว่าแบบว่า น, นี่จะเยอะเวเนียภาคส่วนในวงวิชาการเนี่ยจะพูดภาคส่วนอย่างนั้นภาคส่วนอย่างนี้ภาคส่วนอย่างนั้นคือภาค ก, กับส่วนมันคือกันนะนะแต่ว่าถ้าพูดถึงส่วนมันไม่เป็นวิชาการเลยต้องพูดถึงภาคส่วนือทํายังไงพอพูดอยากให้ชาวบ้านก็ฟังรู้เรื่อง มันจะเป็นวิจาการแต่คนก็ควางรู้เรื่องมันไม่ค่อยเป็นวิจาการ แ, แสดงว่าตัวเองรู้ไม่จริงพูดคนอื่นก็รู้เรื่องหคือต้องพูดให้คนอื่นไม่รู้เรื่องจริงถือว่ารู้จริงบางทีท่านเรียกว่าโกดธาสหรือโกฎธานหัวถ า, ก, าก็เป็นส่วนชื่ว่าเป็นสัญญาเครื่องเนื่นช้าโดยสรุปก็คือกองกิเลส กองกิเลสแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยเป็นทําเครื่องเดินช้าพร้อมทั้งสิ่งที่จิตไปกาหนดหมายจิตไปกาหนดหมายอย่างนั้นกาหนดหมายถึงความเนี่ยทวิปราราสมันก็มีอยู่สี่อย่างคือท่านเรียกตามความเข้มข้นเรียกว่าสัญญาบ้างเรียกว่าจิตบ้างเรียกว่าทิฏฐิบ้างเพราะในสิ่งที่สวยงามเนี่ยอาจจะกำหนดว่า สุภสัญญาเขาเรียกว่าเป็นสัญญาวิปลาสหรือคิดว่าสวยงามก็ เ, เรียกว่าจิตกวิปลาสมีความเห็นเด็ดเดี่ยวปักใจลงไปเลยว่าสวยงามก็เป็นทิฏฐิวิปลาส ด, ดังนั้นการตัดพวกทำเป็นเครื่องเนื่อนช้าเสียได้เนี่ยมันก็จะเข้าถึงผลสูงสุดในทางศาสนา แต่พวกนี้พระพุทธเจ้าตัดหมดแล้วนะคือตัดหมดแล้วแนวการมองการคิดคิดแนวเนี้ยตั้งแต่ทรงพิจรารณามาตั้งแต่โนูน้นตั้งแต่ตอนสรู้ใหม่ประทับอยู่ภายใต้ต้นมุนศีมพโพนะาโผก็ทรงคิดถึงในลักษณะอย่างนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพิจรารณาถึงกิเลสที่เป็นเหตุแห่งความพินาศในอดีตชาติของพระองค์ ไม่รู้จะนับยังไงนะที่เรียกว่าเป็นแสนโกดแล้วก็ที่สรงลาได้พร้อมทั้งวาสนาณนะประเทศเป็นที่พองใสหงพระโพธิญาณ น, นะที่ภายใต้ต้นรศีมาโพเนี่ยโดยรมรรคในพพสุดท้ายก็ทรงเห็นสันดานของสัตว์ที่เพียบพร้อมไปโดยกิเลสเ้าหมองด้วยป่ปัญจะทรมนี่มีราคาเป็นต้น ซึ่งแต่ละข้อแต่ละแต่ละเรื่องเนี่ยมนันเรื่องละเยา ก, ก็ภายในจิตใจของคนเนี่ยเขาเรียกว่าสะสมอะไรอะไรต่างๆเอาไว้เป็นนั้นมากแต่ว่าก็ทรงเหรนการลดลดล ะ, ล ะ, ล ะ, ละสิ่งเหล่านี้ออกจากพระไถยของพระองค์ประเด็นต่อไปที่ทรงเฟร่งเนี่ยกับสั่งว่ายัสสะปัญจทาที่ปิจนัทิิ คือว่าพระผู้มีพระราภาคทรงสแสดงออกเฉพาะพระองค์ให้เหมือนผู้อื่นฉะนั้นยอดคนคนใดที่ไม่มีธรรมเครื่องเดินช้ามีลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็จะไม่มีความไม่มีความตั้งใจอยู่ในสงสารที่ปะปันจะทมเหล่านั้นสร้างขึ้นหมายความว่าใจท่านท่านจะไม่ยึดติดอยู่ในในสังขารที่เป็นเป็นพวกปะปันจะทมทั้งหลาย ก็ล้วก็ยกตัวอย่างลิ่มลิมเนี่ยอวิชชาเนี่ยเป็นลิ่มทำนองคล้ายๆกันแหละลิมสลักเหมือนกับคนถูกขังอยู่ในอยู่ในอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมีมีลิ่มสลักไปขวางเอาไว้กรอนประตูนะถ้าไม่ถอดกรอนประตูออกไปมันก็กอนออกไปไม่ได้ วันการหลุดรอดจากสังสารวัฏเนี่ยตัวลิ่มสลักคืออวิชชาเนะี่ยอันนี้อันนี้คืออุปมานะฮะเป็นการอุปมาเชียบเชียงอวิชชาว่าเหมือนกับลิ่มสลักถ้าทำลายมันไม่ได้แล้วก็ออกไปไม่ได้แต่ว่าถ้าก้าวร่วงซึ่งที่ต่อคือตันหาทิฐิและลิมือวิชชาได้เนี่ย แม้โลกคือหมูสัตว์พร้รอมทั้งเทวโลกก็จะเคารบเทิดทูนบุคคลเหล่านั้นเรียกว่าไม่ดูหมิ่นผู้นั้นเพราะอะไรเพราะไม่มีการทําการพูดการคิดเป็นเหตุให้ถูกดูหมินเนื่องจากอะไรเนื่องจากภายในจิตหรือภายในพระไทยเนี่ยไม่มีตัณหาเป็นมุ้นมีแปลว่าผู้รู้ก็ได้นะะแปลว่าส ง, งบก็ได้คือนิ่ง ภายในใจของท่านสงบแล้วก็เป็นผู้นิ่งนิ่งก็หมายถึงอาจจะไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบเพราะนิ่งบางอย่างคือนิ่งจริงนะเช่นโมนยะปฏิปทานนี่นิ่งจริงๆ่งไม่พูดนิ่งในกรณีนี้คือไม่พูดอย่างพระนาละกะลาณสินดาบดหรือกาลเทวินดาบดเนี่ย ท่านนิ่งท่านไม่พูดตั้งแต่บรรลุพระผลเป็นระหานมาท่านไม่พูดเป็นการปฏิบัติเขาเรียกว่าโมเนยะปฏิปทาอย่างอุกฤษปณิวนีจึงมีความหมายเนี่ยตัวถ้ารู้ก็เป็นการสะท้อนปัญญาผ้าเป็นผู้นิ่งเป็นผู้สงบก็สะท้อนความบริสุทธิ์ท่านนิ่งคือไม่พูดมันเป็นปฏิปทา หลักการปฏิบัติท่านบอกว่ า, าศาสนาพุทธแต่ละาศาสนาแต่ละที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ได้ศัสรุมานี่จะมีพระภิกษุที่ปฏิบัติตอย่างเนี้ยองค์หนึ่งเป็นการปฏิบัติได้อย่างอุกฤษวัน บ, บุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติได้ในลักษณะนี้เรานึกดูพระพุทธเจ้าพอจัดสรุนี ปรากฏว่าทวยเทพเทวดาทั้งหลายได้เข้ากลับมาห้อมล้อมสันเสริญสดุดดีเชิดเทิดทูลพระพุทธเจ้าโดยวิธีการต่างๆขนาดสามดีพรห ม, มกราบลงแทบพระบาทเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งบุญคือพระเจ้าใครจะกราบท่านหรือไม่กราบไม่ได้แปลอะไรคือไม่ได้ลดไม่ได้เพิ่มอะไรท่าน แต่เราเพิ่มความดีขึ้นภายในใจเราลดความชั่วขึ้นลดลดความชั่วภายในใจเราประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่ควรกําหนดเอาไว้เลยนะว่าใครทําดีคนนั้นก็ได้ดีทําชั่วคนนั้นก็ได้ชัว่วอย่างสมมติว่าพระสงฆ์ท่านทําดีท่านก็ดีเท่ า, ท, าที่ท่านทํา ใครจะยกย่องท่านว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นท่านก็ดีเท่านั้นแหละดีเท่าที่ท่านทําเองอะการยกย่องของคนอื่นเนี่ยเป็นการเพริ่มความดีให้แก่คนยกย่องครับเพคนยกย่องเขาเกิดเป็นมุติตาเกิดเป็นอนมุทนาเกิดเป็นศัทธาปัสสาทะเป็นความผ่องใสขึ้นไปในจิตนั้นกรจายความริษยาความไม่ดินดีความแข็งดีออกไปคนบางคนไปพูดซึ่งถึงแสดงว่าไม่รู้เรื่อง เห็นว่าพระเดือนนี้ไม่น่าไหว้ไม่อยากไหวก็ไม่ไหว้ก็ไม่ไหวก็ไม่ได้ว่าอะไรคือไหว้หรือไม่ไหวนี่มันมันไม่ใช่หน้าที่ของพระหน้าที่ของพระมีหน้าที่สี่อย่างท่านนั้นเลงนะคือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรแต่ใครจะเห็นว่าท่านเป็นอหุนายโยปะหุนโยตะกิตนโยอัญชริกานโยหรือไม่นี่เป็นเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวปฏิบัติดีอย่างไรถ้าเขาไม่เห็นว่าเป็นผู้ ควรแก่การคำนับควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบุญควรแก่การทำอัญชลีแล้วก็ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญแห่งโลกเขาก็ไม่ได้อะไรจากพระเหล่านั้นคนที่ตั้งตัวเป็นปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าพระหานทั้งหลายในสมัยพุทธกาลมีเยอะเห็นนะก็เป็นเรื่องของเขาก็าก็ทำเขาเองพระเทวทัตเบียดเบียนพระพุทธเจา้าสารพัพผลท้ายตัวเองก็ตกอเวจีผ่านนรกเอง พระเจ้าสุภพุทธ h a ุทธกุฎิแอ้พระเจ้าสุภพุทธ h การขว้างการเสด็จบิณฑบาติของพระทเจ้าและประสงค์ท่านประตรนรกของท่านนองไม่ได้เกี่ยวคือไม่เป็นลดความดีของพระพุทธเจ้ธธาลงแม้แต่น้อยแต่ว่าเป็นการลดความดีของผู้ทำลงไปแล้วก็เพิ่มความชั่วแก่ผู้ทำลงไป ท่านที่ปฏิบัติดีไปฏิบัติตรงไปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรก็มีความสุขเป็นผลคนที่ทําชั่วก็มีความทุกข์เป็นผลคนละเหตุคนล ะ, ละผลกันเลยเพราะเรืองเหล่านี้เป็นการเพิ่มพูนศรัทธาประสพในพระพุทธเจ้าขึ้นแล้วก็ถ้าตรวจสอบดูก็เห็นว่าถ้าเราไม่นอกลุ่มนอกทางเกิดไปเราก็เดินตามรอยพระพุทธเจ้าอยู่ระดับห น, นึ่งทั้งฟังมทั้งลาย